ตามีไว้ดูใช่หัหยหูก็มีไว้ฟังตาดูหูฟังมือก็ทํานวนทํานี่ไปสมองก็คิดนวนคิดนี่ไปสุดท้ายมันก็มาลงที่ใจนี่แหละใจก็เป็นผู้รับ รับไม่พอก็เป็นผู้เก็บด้วยแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกจะดูอะไรเราจะฟังอะไรเราเลือกไหมถ้าไม่เลือกมันก็ลำบากแล้วลำบากจากไหนลาบากที่ใจเรานี่แหละไม่ว่าจะดูไม่ว่าจะฟังไม่ว่าจะคิด อะไรต่างๆมันก็ไปทับถมอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกถ้าเราไม่เลือกสิ่งที่มันผ่านมาจนถึงใจเนี่ยมันก็มีทั้งสัสดส่วนของดีและของไม่ดีอารมณ์ดีที่เป็นฝ่ายดีอารมณ์ที่มันเป็นฝ่ายไม่ดีมันก็ทับถมอยู่ในใจของเรา ถ้าอารมณ์ฝ่ายไม่ดีมากๆเนี่ยมันก็มีพิษมีผลที่มันเป็นลบกับจิตใจของเราด้วยนอกจากมันจะเป็นความวุ่นวายเป็นความเร่าร้อนขุ่นมมวแล้วเนี่ยผลที่สุดก็คือมันก็ทำให้เรามีความเห็นผิดได้ด้วยผลที่สุดเราก็จะมีมิจฉาทิฏฐิ พอตั้งต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยสัมมาสังกัปปะคือความคิดมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัมมาละมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะคิดมันก็คิดผิดคิดยังไงคิดผิดคือคิดไปเพื่อเสียกามเสียรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคิดไปเพื่อที่เราจะหาความยินดี ผูกติดผูกยึดแต่การที่เราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันอย่างว่าแลวามันก็จะต้องหาอยู่หากินน่ะทำไมหาอยู่หากินแล้วเราจะมีปัจจัยสี่ไปยังไงแน่นอนแหละมันต้องต้องใช้ต้องดูต้องฟังต้องคิดคิดแบบโลกโลกคิดยังไงก็คิด ที่เราจะต้องหาห้ไ้มากๆหายมันได้ละเอียดประณีตมากๆหายได้เยอะๆเก็บให้ได้เยอะๆสั่งสมไว้ได้เยอะๆสั่งสมได้เยอะๆแล้วก็ติดมันด้วยถ้ามันเป็นอย่างนี้ละมันก็ไม่ถูกเรื่องถูกราวลวเพราะว่ามันก็จะมีผลมาอยู่ที่ใจนั่นแหละสุดท้ายมันก็ขมวดลงที่ใจ ใจมันก็จะเป็นใจที่มันเร่าร้อนขุ่นมัวหิวหิวไม่เลิกหิวไม่เลิกแล้วก็สุดท้ายก็ยิ่งทำให้มีความเห็นผิดซ้ำเติมเข้าไปอีกพอซ้ำเติมเข้าไปอีกมันก็คิดผิดทำผิดพูดผิดไปเรื่อยแหละมันก็จะผลักดันให้เราสแสวงหากามให้มันมากขึ้น แล้วถ้ามันไม่ได้ดังใจยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกตามทำนองกรองธรรมที่เราจะหาเราก็โดนความอยากมันบีบคั้นกดดันทำให้สินที่เรามีมันก็จะด่างพร้อยไปได้เหมือนอย่างในข่าวทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ศีลข้อ3เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับศีลข้อ1คือการเบียดเบียนกันทางกายมันก็มาจากไหนมาจากกามนี่แหละที่มันบีบคั้นเราซึ่งถ้าเรารักษาศีลไม่ดีไม่มีศีลที่คอยเป็นกรอบบังคับใจเอาไว้ใจมันก็จะเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องตามราวตามความชอบความอยาก ที่มันคอยบงการในจิตใจของเราไปแต่ถ้าดีหน่อยเราก็ยังมีสี่ิที่เป็นกรอบชีวิตเป็นรั้วของชีวิตเราที่เราจะไม่ได้ออกไปจากกรอบอันนี้รั้วอันนี้ก็ดีหน่อยเราก็ยังปลอดภัยความเร่าร้อนรุ่มร้อนที่มันจะเข้ามาในชีวิตมันก็ไม่มาก แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันคือที่สุดการที่เรามีสี่ินเป็นกรอบคุ้มครองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแล้วแต่กรออันนี้มันก็ยังไม่สามารถที่มันจะป้องกันอาวุธต่างๆของกิเลสที่มันละเอียด ความขี้เกียจหรือความมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยแน่นอนแหละว่ามันอาจจะอยู่ในกรอบของศีลอยู่แต่มันก็เล่นงานเราได้นั่นแหละความขี้เกียจที่ครั้านความที่เราอยากจะไปเพลินในกามมันก็ยังเล่นงานเราได้อยู่ บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้เอาเวลาไปใช้อะไรอย่างอื่นนะฉัน ก, ก็โอ้ยวันๆทํางานทํางานแล้วก็ทํางานทํางานทํางานทํางานทํางานทั้งวันหัวสมองก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากคิดแต่เรื่องงานนี่แหละมันก็เป็นการเพลินไปอีกแบบหนึ่งนะ บางครั้งเราพูดถึงว่าเพลินความสุขในกามเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเราไปเที่ยวเล่นเตเตะมันก็เป็นได้นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของการที่เราเรียกว่าเพลินในกามอย่างคนบ้า ง, งานเงี้ยมันก็เพลินในกามเหมือนกันเพลินในงานนั่นแหละมันก็เพลินในกามเหมือนกัน เพราะว่าใจในขณะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อความคลายกหนังไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพานมันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่น เป็นไปเพื่อความมัวเมาในกามเป็นไปเพื่อความเกาะพบเกาะชาติถือพบถือชาติใหม่อย่างเราเป็นคราวาดก็มีสระที่เราจะเลือกได้นี่ว่าเราอยากจะกินอะไรเราอยากจะทำอะไรเรามีงานเราก็ทางาน ว่างจากงานเราอยากจะทำอะไรล้วก็ทำอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อมันก็ดูมีอิสระเสรีดีแต่ความมีอิสระเสรีแบบนี้มันขึ้นชื่อว่าคับแคบนะฟังแล้วก็อาจจะดูง ง, ง ความมีอิสระแบบนี้อยากทำอะไรก็ทาเรานึกถึงว่าเราเป็นผู้ที่ได้สวยราชสมบัติสักเจ็ดวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ได้โอ้ยอยากได้อะไรก็ได้หมดแล้วความสุขละเอียดประนีขนาดพระราชามหากษัตริย์นี่มันโอ้ยไม่มีอะไรอะไรจะเปรียบแล้ว ยิ่งในยุคที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยและก็<โ>อำนาจเป็นเสร็จติดขาดชี้เป็นชี้ตายชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยู่ในพระราชอำนาจทั้งหมดความสุขขนาดนั้นนี่มันมันเรียกว่าขับแคบได้ยังไงมันคับแคบสิมันคับแคบมากเพราะอะไร เพราะว่าความสุขของเราเนี่ยมันผูกติดอยู่กับแค่กลามอย่างเดียวไงผูกติดอยู่แค่กลาอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วก็นอกจากว่าจะผูกติดอยู่กับกลางแล้วเนี่ยความสุขหรือวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันคับแคบเพราะว่ามีคนคอยชี้คอยสั่งคอยบังคับอยู่ไอตัวที่มันคอยชี้คอยสั่งคอยบังคับเราอยู่เนี่ยก็คือ ตัณหาความทยานอยากในใจของเราเนี่ยแหละก็มีกิเลส บ, บังคับหัวใจเราอยู่เนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นผู้ที่ขับแคบไปอยากจะทําความดีมันก็ไม่ทําทําไม่ได้อย่างเช่นเราอยากจะทําความดีโดยการที่เราจะใช้เวลาว่างเป็นไปเพื่อการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจ ทำสมาธิความสงบให้มันเกิดขึ้นเป็นอาหารใจหรือมีเวลาที่เราจะมาพิพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวแม้กระทั่งตัวเราว่าความเป็นจริงมันคืออะไรพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงทั้งตัวเราตัวเขาสิ่งต่างๆว่าความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไง เราอยากจะไปทําอย่างนั้นมันก็ไม่ให้ทำไงมันก็คับแค่พอสมควรแล้วก็เวลาด้วยเวลาที่เราจะเจียดเอามาใช้ใช้เพื่อพัฒนาจิตใจใช้เพื่อพัฒนากําลังของจิตใจที่จะขูดกล่ากิเลสออกไปจากใจเวลามันก็จะต้องแบ่งออกไปเพื่อ การงานที่เราจะต้องคอยเลี้ยงดูชีวิตของเราให้มันเป็นไปเอาเวลาไปทำงานเพื่อที่จะได้มีปัจจัยสี่มาคอยเป็นกองหนุนให้กับชีวิตเวลามันก็โดนเจียดไปเจียดไปใช้เพื่อที่จะทำการงานหาเงินหาอยู่หากิน มันก็เลยดูไม่กว้างขวางเหมือนกับคนที่เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเอาไว้นะว่าชีวิตคารวาเนียคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีแต่ชีวิตของนักบวชมันก็เป็นชีวิตที่ไม่คับแคบ มีเวลาที่เราจะเต็มที่ที่จะหัดฝึกหัดขัดเกลาจิตใจแต่พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็นคราวาสก็อาจจะรู้สึกน้อยใจอยู่บ้างมันก็ไม่จำเป็นต้องน้อยใจอะไรเพราะว่าใครทำใครปฏิบัติคนนั้นมันก็ ก็ได้ได้ตามเหตุตามผลตามส่วนที่เราได้ทำเราอย่างสมัยนี้นี่มันก็มันเป็นสมัยที่ควรเป็นนักบวชกับคารวาสเนี่ยก็อาจจะช่องว่างมันแคบลงไปอย่างสมัยก่อนอย่างสมัยครูบาอาจารย์ท่านก็เข้าป่าเข้าดงไปได้ไหมไปแสวงหาความ สงบความวิเว้ออกจากหมู่คณะได้ทำความเพียรอันนี้ไม่ต้องพูดไปไกลจนถึงสมัยพุทธกาลแล้วโอเคสมัยนี้แหละสมัยครูบาอาจารย์เรานี่ก็ยังมีป่ามีดงที่เทคโนโลยีก็ไม่ค่อยดีการสื่อสารก็ไม่ค่อยดีมันก็จึงมีเวลาที่ได้ ไปลีกรนมีเวลาที่มีเวลามากที่เราจะได้ฝึกหัดขัดเกลาจิตใจแต่พอมาเป็นสมัยนี้เนี่ยปากเขาก็เข้าลำบากเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอนุ ญ, ญาตให้เราเข้าได้ได้ง่ายได้สะดวก มันก็ยังพอมีวัดป่าอยู่บ้างแต่มันก็ไม่เหมือนสมัยครูบาอาจารย์หรอกที่ว่าเข้าป่าไม่ต้องมาพบเจอผู้คนให้มันวุ่นวายตาวุ่นวายใจอยู่ในวัดป่าทีนี้ก็คนเยอะพระเนนเยอะมันก็มันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายที่จะเหมือนกับที่ว่าเราได้แปลกกฎ แบกย่ามสไปร์บารเข้าไปในป่าได้เปลววิเวหรือเรนอยู่คนเดียวสมัยนี้นี่มีอินเทอร์เนต็ตอีกมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เนต็ตโลกมันก็แคบลงมาอยู่ในป่าอยู่ในเขาบางทีมันก็ยังมีสัญญาอินเทอร์เนต็ตอยู่เพราะฉะนั้น ช่องว่างระหว่างช่องว่างเวลานะช่องว่างที่นักบวชจะมีคราว่าจะมีมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากแล้วล่ะอันนี้ในความเจริญทางเทคโนโลยีมันก็ทำให้โลกมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องน้อยใจอะไรไปนะว่า เราเป็นคารวาชีวิตมันครับแคบมันไม่สะดวกมันไม่ง่ายเหมือนกับการที่เราได้สละเรือนออกบวชเป็นนักบวชเพราะการที่ไอ้เทคโนโลยีมันเจริญเนี่ยมันก็ทำให้การคลุกคลีด้วยหมู่มันก็มีมากมีง่ายสะดวกขึ้น มันก็ทำให้คนที่ออกจากเรือนมาบวชเนี่ยมันก็เหมือนเกือบจะไม่ได้ออกจากเรือนแหละเพราะว่าไอ้ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำให้บ้านกับวัดมันก็ดูจะกลมกลืนกันไปซะมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะว่าง เหมือนกับสมัยก่อนโอกาสที่เราจะไม่วุ่นวายเท่ากับสมัยก่อนเนี่ยมันก็ลดลงละสำหรับนักบวชมันก็พอๆกันแหละทีนี้นักบวชเอยครวญเอยมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากก็อยู่ที่ว่าใครทำใครได้แล้วก็ผลที่ได้จากการฝึกหัดปฏิบัติเนี่ย คือความทุกข์ที่มันจะลดน้อยถอยลงไปหรือหมดไปความเข้าใจตามความเป็นจริงที่เราได้จากการพิจารณาเห็นผลประจับใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ผูกติดอยู่กับว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นเป็นใครก็ได้ที่ไม่ได้ทำอานันตรียกรรมไว้เป็นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนอายุมากเป็นได้ได้รับผลเดียวกันได้ถ้าเราปฏิบัติแต่อย่างถูกต้องแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจศึกษาให้รู้ให้รู้ว่าความสงบใจเป็นยังไง ให้รู้ว่าความสุขทางใจเป็นยังไงให้เห็นถึงความวุ่นวายทางจิตใจว่ามันมีเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเห็นจะรู้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์เคยแสดงเอาไว้เกี่ยวกับความจริงของสิ่งต่างๆว่าไม่มีสิ่งไหนที่มันเที่ยงแท้มันเป็นเป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตาคือมันก็ควบคุมไม่ได้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนทิ้งแท้เพราะฉะนั้นถึงมันเคับแคบในลักษณะที่กิเลสมันบีบบังคับเราไว้คอยบังคับบัญชาให้เราทำนู่นทานี่ตามที่มันสั่งตามที่มันอยากจะให้เราทำเราก็ต้องคอยฝึกที่จะ มีสติที่จะเท่าทันมีขันติคือความอดทนอดกลั้นที่จะคอยแผดเผามันมันอยากให้เราทำเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นขันติคือความอดทนอดกลั้นยจึงเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นคุณธรรมที่เพียรแผดเผากิเลสอย่างยิ่ง ธรรมะต่างๆเนี่ยมันก็จะเจริญได้ดีจเจริญได้อย่างงอกงามอย่างดีเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นคือสติใช่ไหมบนพื้นคือสติพอบนพื้นคือสติที่ที่มันดีแล้วเนี่ยมันจะเจริญงอกงามได้อย่างดีเนี่ยปุ๋ยที่เราให้ก็คือ ความอดทนอดกลั้นนี่ลอดทนที่เราจะไม่ไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดกับตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจของเรามันอย่างเราดูทีวีอย่างเงี้ยเราดูข่าวทุกวันทุกวันทุกวันมันก็มีความเคยชินมันก็ทำไปอัตโนมัตินะ่แต่แน่นอนแหละพอวันไหนที่ อยากจะเจดเวลามานั่งสมาธิหรือว่าเจดเวลาไปทำบวชสวดมนต์ใจมันก็ประวัติอยากจะกลับไปดูไม่ดูทีวีก็ดูข่าวดูอะไรไปใช่ไหมพอดูทุกวันทุกวันมันก็ติดเหมือนกันพอถึงเวลาใจมันก็ทำงานละ อ่าเวลานี้โอ้เปิดทีวีดูหน่อยไหมเ อ, อยังไม่ได้ดูข่าวเลยวันนี้เป็นยังไงแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยไม่ว่าข่าวสารต่างๆสุดท้ายมันมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปเพื่อทำให้โลภโทสะโมหะราคาของเราเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นมา กีเลมันก็หลอกล่อเราไงบอกเอา้าไม่รู้ข่าวสารเลยแล้วมันจะไปอยู่ยังไงเดี๋ยวมันตามไม่ทันนะมันก็ต้องรู้ข่าวสารอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งจมอยู่กับมันตลอดหรือว่าจมอยู่กับมันนานๆอย่างบางคนดูข่าวเช้าไม่พอไปดูข่าวตอนกลางวันด้วยดูข่าวตอนเย็นอีกบางทีก็ขอรอบดึกอีกสักรอบหนึ่ง อันนี้มันก็เกิดความจำเป็นไงแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องดูเราก็ไต่ถามเรื่องสำคัญสำคัญกับคนรอบข้างเราก็ยังพอได้เราก็จะได้ใช้เวลาของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความลกไกลาจากโลภะโทสะโมหะราคะ แต่พอความเคยชินนี่มันทําทุกวันทุกวันมันก็อยากอยากกลับเข้าไปในรูปรูปของการเสพกามนะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นความอดทนความฝืนทนต่ออํนนานาจความอยากของจิตใจมันก็จึงเป็นคุณธรรมที่มันแผดเผาเผาหัวใจของเราเผาให้มันร้อนเพื่อที่จะเผากิเลส ที่มันเป็นสนิมในใจให้มันออกไปเอามวลทินที่มันติดอยู่ในหัวใจของเราให้มันโดนแผดเผาแผดเผาให้มันร้อนแล้วเนี่ยเอาความเพียรฟาดมันเข้าไปฟาดไปก็เหมือนเหล็กน่ยที่มันแดงร้อนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทุบใช่ไหมต้องทุบต้องทุบแล้วก็ทุบทุบทุทุทุบไป เพื่ออะไรเพื่อไล่สนิมออกไปไล่สิ่งโสโปรกออกไปจากเนื้อเหล็กเพราะงั้นเราก็มีความเพียนเป็นดั่งค้อนเนี่ยคอยทุบมันทุบมันทุบมันทุบให้กิเลมันน่วมไปเลยทุบเอาความขี้เกียจออกไปจากใจทุบเอาความอยากที่มันเป็นไปทางกามออกไป แล้วพอกิเลสเนี่ยมันโดนขัดต้ดนกล้าวออกไปใจเราเห็นคุณค่าของกางที่เราได้ฝึกหัดเราก็ได้เห็นโทษของกามโทษของการเสพกามอย่างมากอย่างมัวเมาก็แบบหนึ่งโทษของการเสพกามที่มันมากแต่ไม่ถึงขนาดมัวเมาอย่างหนึ่งโทษของการที่เสพกาม ไม่มากเกินความพอดีเราก็จะค่อยๆเห็นเนี่ยแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่เราจะไม่หลงไปตามการล่อหลอกของตัณหาที่มันมีอยู่ภายในใจของเราฟังชันของธรรมะไม่ว่าจะเป็นความอดทนก็ดีความเพียรก็ดีสติก็ดีมันจะได้ทำงานได้เต็มที่ พอมันได้รับผลของใจใจเราเริ่มที่จะมีคุณภาพดีเป็นผองเป็นใจที่ผ่องใสเบาสบายปลอดโปรง่งไม่โดนกามันทับถมจิตใจไม่โดนกิเลมันทับถมจิตใจมันจึงจะค่อยมีกำลังใจที่มันจะฝ่าฟันออกไปมันทำความดีมากขึ้น พอกิเลสมันตายไปจากใจทีละหน่อย2หน่อยหน่อย2หน่อยหน่อย2 ห, หน่อยชีวิตเราก็จะกว้างขวางขึ้นความสุขของเรามันก็จะกว้างขวางมากขึ้นมันก็จะไม่คับแคบเฉพาะหาความสุขจากกามอย่างเดียวล่ละมันจะเป็นการหาความสุขที่มันกว้างขวางความสุขจากกามเราก็หาเป็นความสุขจากการที่ออกจากกามเราก็หาได้ แน่นอนการอยู่บนโลกนี้ยังไงก็ต้องพึ่งกรรมอยู่กับกรมเราก็จะอยู่บนโลกใบนี้เสพกรรมอย่างพอดีไม่มากจนเกินไปไม่มากจนให้มันก่อทุกข์ก่อโทษมากกับจิตใจใจเราจึงกว้างขวางไม่คับแค่จนสุดท้ายก็คือเป็นอิสระ เป็นไทยจากการคุมขังของกิเลสตัณหาที่มันคอยยึดใจของหมูสัตว์ขังเอาไว้ให้อยู่ในวัตตะอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาขยันตั้งหน้าตั้งตาทาเอาธรรมะคอยใส่ลงไปในชีวิตประจำวันของเราให้มันกลมกล่อมที่สุด เพิ่มลงไปให้มันกลมกล่อมให้มันได้ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนไหๆเราก็ต้องพยายามแทรกธรรมะลงไปมกักป้าแทรกลงไปโดยที่เรามีสติมีสัมมาสติเป็นหัวหน้าหัวหน้าขบวนคอยเห็นกายอันหนึ่งคอเห็นใจอันหนึ่งให้ได้บ่อยๆเห็นกายอันหนึ่งที่ไม่ใช่เรา เห็นอารมณ์ในใจเห็นความคิดที่ใจมันคอยจะวิ่งเข้าไปหาพอเห็นความคิดใจมันวิ่งเข้าไปในความคิดมันก็ไปจมอยู่กับเรื่องในความคิดเนี่ยเป็นพบพบหนึ่งนั่นแหละแต่พอเรามีสติมีสัมมาสติที่มันเกิดขึ้นมันก็ได้ฉุดฉุดดึงเรากลับเข้ามาฉุดดึงเราออกจากพบอันนั้น ความที่เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นเขาอันนี้เป็นเรื่องราวต่างๆมันก็จะได้ขาดลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนที่เรามีสติดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจหรือคาบริกรรมพุทโธ ท, ที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเห็นกายอันหนึ่งที่มันต่างหากจากเราเห็นใจอันหนึ่ง ที่เราก็เป็นมีสติคอยรู้อยู่เห็นอารมณ์ในใจว่ามันเป็นยังไงพอเราอยู่ตรงนี้แบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราไม่ได้มีความเห็นว่าอันนี้เป็นเราเป็นเขาไม่ได้มีความเห็นว่าอันนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน ซึ่งเราก็ต้องพยายามทำให้มันได้บ่อยๆเกิดที่มันได้บ่อยๆจนมันเป็นความเคยชินของเราพอเราเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยได้ตลอดได้บ่อยๆได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันตั้งมั่นด้วยตั้งมั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่มีความวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกมันก็คือสงบ อยู่ในภายในใจเราก็จะได้ไม่วุ่นวายสายแสไปด้วยใจก็จะสบายขึ้นอีกทั้งมันสบายแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะคุยกับมันบ่อยๆสอนมันบ่อยๆสอนคุยกับมันเกี่ยวกับเรื่องความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ ซึ่งเราก็มีการงานภายในที่เราต้องทำเนี่ยเราก็ต้องแทรกอันนี้ให้มันควบควบคู่กันไปกับการดำเนินชีวิตของเราครวบคู่กันไปกับการงานทางโลกของเราเราจะได้เป็นผู้ที่อยู่ในโลกแต่เราไม่คล้องโลกอยู่ได้ โดยการที่เราคอยฝึกสติมีสมาธิแล้วก็หมั่นพิจารณาอย่างนี้แหละ